เปียนดูหนบ่อไหมมีจฉองเยอะนะเพ่นขึ้นปงหรอกรเฮ็ดได้เยอะขึ้ว่าได้เยอะว่มันแก้มาหาโม่ห้องเจ้าต้องบอกเี่ยนห้าแล้วหาโม่ห้องเจ้านะครับย้อมแมงหรอ มาปนเป็นลงมาเรี่ยนลีแรงขึนผู้นมาเลีเรี่ยนขึ้นสมงจับกันคุ่มกันคนไปแก้โอเนี่นะที่ว่านี้คืบคือเามาจะมกัินเป็น่จะเนแบับทิมอนจะกป็นอะไรทีนบบทับทิมอนจะเป็ไรที่จะเปับ ก็บอยานี่เป็าันองเต่้ไบ้านน้ดาวองปุ่มน้อไล่ไงน้องถึาเนงสอยกเป็นแเดียร์เขาออันปูปุกเต่ามันกขอเข้าดอกอันขาาจงพีาก็บไม่ไึงจวงเล้เขาหาครับตัวแต่ว่าพตาามงเจ้าองจักบอกว่าจวงไปตาย่จวงเอาจวงเอา่าน เขาเอาห้อาไปจูงเลยแล้วเจ้าเขียนเลยว่าเอาห้องไปจูงนี่เสียมันทำเงียบอันนี้เขบอเหยีดาวมันทำเงียบมันทำเงียบมันหยบอะไรแล้วกูมา นกปูนปูมันว่าจงในจงเอาเขาสั่งอย่างเดีเช็ดบนนี้ยงไม่สั่งแตสปฏิทัยถือจงเอาจงเอาถยังไสั่งเช่นาันล็อกปกานกมฐนบระปรุงนะใ้่ล็อกูนจงผีปรีจุงได้เขาเอาใ้ห้าจงนห้าดเมื่อออกไว้จงยิบไหวง่ายเลยมุของเราคกันไปก้อนเมื่อจจงพอแต้าว่า n g chủ nó p t tăng không dữ rồi, các người giá không p h chủ, buốt, buốt chuồng k h í không của bố, cậu cậu hả? Hả? có bao lát, họ có bao lát buốt, nó phát tăng không dữ, tăng rồi. รักผู้มหาเขาเ่ยนักผูหาไม่ได้จูงเนักูมันก็ไม่ได้ง นานนยาแนวเป็นบ่าวาท่านเก่งก็ไปดใ ห, หดด้เขาบังอดู่กท่านบ่าวพระวัดกรรมฐ า, านนี่คือมดหมดหนาฮดง่ายท่านรู้ในวัดในว่ามดแต่ฮดมาก ก, กอดพ่อสบายนอกจานตัวก็สีอย่างนี้ตั้งว่าบุญี่เนี่ยท่านเก่กพี่บาวดยกันปแต่พ่อเองกดหนาในวัดในว่า เขาขอเข้าอไรือเนเนี่ยเด่อหรเา้ประเศ เ, เศพอถ้าเขาไปเออมอกไปวันปลาสัไปมาเป็นวัดปลาโยนปลาในาเมื่เเเเอเาประเทศยังงานจรเจ็บผาเจ็บชีนทำไขเจ๋าคือปวดไปวาสัน่านออกไปให้สันว่าไปนเหมนกับว่าคืบทบ้านวัดบ้าน่ะมันคือยู้วะสันอตวัดปลามาปฏิบัติกัประเทศเพื่แห่กันร้อนให้เขาห้ำหนุมโยโย่มันคือบันนี้วันตัวอ สำหรับฟาวบ้านลูียังมาสั่งให้พ้นสักมาสั่งให้พ้ประเทศเอาสักา ม, ามาสันน่สงทำไมถึงว่าบุญมาสั่ะเอาออกสั่งเขาเห็นมาบุนได้หระก็จเอาอะไรเนี่ยมาทำอไ ร, รเอาๆๆเอาหอก่องเข้าไปถ้าเป็นเนมหาวิทายบนแห้งมากกรบะบะเอ๋ถือว่แค่ว่าถือกันร้อนเท่าไรหากันบนแห้งมักหรือเปล่ เดือเมื่อ <lawn> น <m ires> ี doll, <speaking> <speaking> <speaking> ่วันบานคือดรอดเที่ยเลี้ยงห้องยัร้อนเที่ยงเนยเจ็ดบาทด้วยมันได้ร้ายเลยเจ็ดบาดนะมันต้อะไดรนาด้ารร้อนนั้เราการอยู่กันารก็ต้องดูตัอต้องเีับในไเงินเงกับเงนนไหบนก็สอนกันไรเยอะได้ยังห่างว่ได้ร้ายกันขังว่าขาค้วไอขังว่าขาควายว่าได้ร้ายได้หน่อย คังว่าคาคยไปกินเหล่าใช้วัดใช้ว่าหากใช้วัดใช้ว่าบ่นอะไลเยละได้หน่อยอย่างบุญเด้นสาวใช้วัดใช้ว่าอีกสอเอาเอาวัดเป็นบุเดืนสาวอวัดเปบุปบคุยกัน อะไรตัรหลายละตัวอะไรหลายกว่านหละตัวกรรมฐานเนี e it, عة, ica, ่มาเหตุมาเหตัวกรรมฐานตววบ้านเฮยคก็เหตุเนี่ยเาทำเนี่ยมากข้าเจาะเปลี่ยนมาอ่านมรแก้ก็ได้แลกันแกเค็ดทำ่ามเลยว่าเดีวนี้ข้าเจาะกับัดตุตูปขึ้นจะเกาได้เยเนี่ยมาเหตุตูกเลาะวัดได้เดีองค์นึงมให้เอาขวัดตรงนั้นหร เดี๋ยวอันบานก็ตายไม่เอาเขาวัดแน่นอนึ่นงแบบไปเช็ดถูปในวัดเนี่ยว่ามอสได้สบคมอันก็ไม่าเอาเขา่าแลนมาน้าดท่างกลรมาทานแย่ละเพิ่นกำนัลเชี่ยวก็ว่าให้าจูงเชียนึงแหละจูงผีไงง่ยว่าสัตว์ทไปจูงยังไงโม่ตักไจุงไปได้เป็นป่าหรือเป่าเก้่ยมือออก ก็กาทุกครูสมมติไ้พอแม่ไดยัดไปให้องตายลงไปหลบที่นีห้องเจ็บกะดูกรยังมากแต่ไปไว้าไปสารชาติคอมทาแพงวัดนี้คุ้นประโยชน์ต่างากเพื่นน่หัวน้าแนยีอยู่ส่วนเพ่นทิ่แคกแพงเน้อเรต่างหวนนยหัว้มีประโยชน์ยู่กาไปสร้างการเอาไปไหวางวัดทางบดีก็ได้ไปแค่หัวดีอยู่หัวเย็นดีกันอยู่เป็นการสร้างเราว่ามันได้วัดอืม เท็ตต่างเหง่เพนดีมีประโยชน์ด้วยที่มีาเอาเมเ็ตไปไม่บาดไม่จางเลยมื่อเิเป็นการดีห้องพอดีไม่ีักการนัดสแค่ดีไม่าหาอรนดูก็แม่เมื่อวันที่โผล่่ได้เอามาต่างไม่ได้แน่เนีอัดแง่ไงพัดแต่ไปรบนลคือว่าเห็นหามเลยไม่เห็นหามแค่ว่าบอเ็นอนุมูธนาม่คูรดเหตุเยพัตไปรบ เห็นจะอาไปไว้หวัดว่าไนอื่นเหมือนตอนผี้พูดได้พูดได้ออกขึ้นวาในว่าในทางพติธการก็ได้ทางพธการกับผีดน่กับทีมต้องเห็ว่าก็ทีมลงอันบ๊เผาเขามี้ทีมซุมนึงกระเผาซุมนึงกับบเผามันจิเป็นน้าผู้จนผู้มี้ไปในสถาที่คือการสมมตาเขามาไหว้เข้าจิเป็นการรักท่ว่าเข้ายึด ค, ward, ค right. hing, burnout, naden, uh, ือรักพพูทธศาสนเพรานัก็ีมท่างนักทีมเป็น เมื่อกีแล้วเขาม่ได้ถือว่าเขาเขาไมาได้ถือว่าอันเป็นผีเดยพราะเมา่อเาถือพระเดีพระคุณพ้นผลเขาออกมาไว้ถือคุณพนไ่ถือไม่ได้ไปตัวพ้นเป็นผีเงจะเอาไวเอาไว้จำก็คือจำก็ถูกทัดองค์เจเออจำกว่าันก็พระสององค์เจ้าวจะเอาไว้สูงเพียงกยังลูกเจ้า พอาเจ้าตายเร่ร okay. yeah. okay. ้อมีแมน้หเลย่ัวเขานห่หนาไปเจ้าตัามากลมูนี่ยเราอัดต่ระอ่ะร้ไหขนน้เ่าอดกระางของพมาเข้าเพา่ผู้อื่นมันจะกลับแตกลับ มันมันก็ทุ่งนาการนากาบเขาก็ว่ามุงเขาก็ว่าเรมุงว่าสิการก็ดูเขาได้หรอเล่เขาเขามุงว่ากาบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ว่าหามว่างเพราห้างเลยประสิทธก็อเียน้เขาอยู่ว่าถ้าเกินต้องยเยกินหา้สจไป้ตายเกับยี่้ยมเลเอาไปต้มเนี่เอาดาเพราะว่าถึ อันนี้กรตอบงานด้วยเจตัวอุบตงานยุ่นี่กระตากกรอกงานยุ่งตัวอุบวยตัวต้องนึกขึ้นถึงคุณพอคุแม่พอเห็นหางกระดูกก็นึกยุ่เนี่ยนะครับแ่นี้หางกระดูกเลยก็ผู้คนที่นึกถึงเอาไปไว้เลยมอดมันคิดเหมือนกับว่าคุณพอคุณแม่ก็ต้อเก่า่โอ้โจันหวะ พระพุทธลูกก็สั่งเอาแขนใจไอแขนใจไว้รถพระพุทธลูกมอนเข้าใจการการการการพระพุทธลูกปูชาเป็นชาวชาติในบ้านขอาน้องเองเขาจำเตรียมดต้องทําได้ที่ตะวันออกเสมอไปด้วยว่าเพื่อต้องเหราะสมก็แล้วแต่ก็เหมาะสมของเพื่อนเขาแล้วพอเหมาะสมของเพื่อนเขา ถ้าหันจะตั้งทิศตะวันออกได้ถหันจะไปได้ก็ดีอยู่ทำอะไรหันไปไหทิศเหนือทิศตะวันออกได้หันทิศพินถือทิศเหนือทิศตะวันออกทิศใต้ก็บรถทึกพระพุทโลกนั้นยาวไปตั้งทิศเหนือทิศตะวันออกได้เป็นส่วนมากทามันไม่เว้นอะไรสักกะมนเข้าจาเป็นมันรูมี มีวิธีการเี่ยวห้องเด็กของตู้เดี่ยวหองสมตงกัน่าเป็นบ่อานอารยการนั่งออกออกนบางเรื่องล่นบ่อเวลสะดวกว่าไหนเอาไปไม่มีการแจ้งกแจงไหบ่าว้าจะแจงกัแ้งโดยข้มลข้าวบื่อหัข้าบ่แจ้งกับ่แจ้งโดยอมูลข้าวล่อหลงนาแจงกับเพื่อเป็นข้าวลบมันเพราะข้ารบนีเครื่องสักัมมูซาข้าบแจ้งกับจิตใจขอห้าพ่อใจกับจได้เพื่อกันนะ แต่ว่าขอทําขั้นอันหองว น, อนวลนี่ก็เม่อยจะเอาไปหรอหองนวลนี่ก็เม่หองอันหองเรียนคำมาคุนกันย่าเอาไปหองเอาไปตั้งค้างเช็ดมุกไปตั้งหาต้องขับไปวาไวายตั้งหาเช็ ด, ยยดเป็นหองที่เป็นหองีแต่ว่าห้ามไม่ก้ายกินไม่ชอบหองแต่ว่าห้ามเเป็นหองคำอืมก็ไปอีกนะเช็ดเป็นหองตั้ง่ะ สมุนไพร่าุทธลุงมากนห้องก็มีการสต่างการเอาประทานบุไว้ใจใมันเป็นฐานเรียบอยู compass, so so that that ่ it. It <filing> <pol> ้องติจอเป็นยังไงเปนกทำไมพระพุจธเป็นกันป่าจระพุทลครับจอทั้งใจจะเอาคงประกานเปบบาปนี่ะมองขเหตุอะข้เหตุอะไรข้จอแบนีซึ่อาไปจอของเขาด้บาป ตัวจะคล้องเนยสมาธิขึ้นเามาข้างขึ้นก็ได้เข้าม า, าข้ า, า, งข า, างขึ้นมันสมาธิขึ้นเมอไห่มันกับมือพระศิเย์ดีอะไรกเสื่อมแล้วคือเบิงน้าโทษรวโอยเข็ยนลาวแล้วว่าไปลับอีกเรอสมัังไงยังโมติปีอะ ในส้มกีตเราแล้ ว, วเ็าต้องเป็นนักโูดใช่หรอเ่าเขาเป็นเขาคว้านักพูดเป็นกองกอเป็นแขยเป็นก อ, น อ, าาาาองขอซักบัพพาบ่พทัศบ้างข่างเคลื่อนพยาบาลร่องพยาบาลในได้แล้วเาขาต่างมาดนวนละหลายปีแล้วผลจะแก้ จ้าวบานี่ยห้าวบ้นไปนอนในโรงพยาบาลค้างคืนตังือเยตลอดจยข้าวราอัดก็บบ้ไปคข้างคืนักเสือหอนบไา้ไปจักเือสำนักโรงพยาบาลยกข้าวเราด้ไปส่วนตัวไปกับส่วนผู้อื่นไปอยู่ไปเกี่ยห้องกับผู้อื่นส่วนตัวหอนบ้าไปจักเสือห้าวช้านห้วบา้าบกับนนอนข้างคลื่นในโรงพยาบาลไม่เคือนใ้อนบได้ไปกวดโลกักเียวเห่ือกั บวชต่างจะโยตุลแผลยไดยวัดบ้านเขาได้อย่คาวาสแหลยมันก็ได้ไปขวดโลกว่งนี่งว่งเป็นโกรกใายเลือดมานี่แหะมันก็ไปไปขวดโ ล, โลกกับโลกเป็นโรกกับเพาะไหมโลกเพาะก็จะไปหลังสองฝั่หาร่อยมันี่แ่ะเขาพูดหาร่อยโอแนบบนี่แะ แล้วา่าแ้วเราค้างื่อลงพยาางการเลยคนีมีลูกมีนี่อยู่ออกข้ดวิสองของคราจะกล้องไผ่น่ออกกระถากเ้ไม่ไเรื่องมึงออกอันี้มา เอาแพรง่งกดานมาดดูกระไฟมาอีกร่งกดานมาาเอาแพกระดานมากระดานน่อนบต้องดยับ ปูทวดหญ้าทวดตาทวดยายทวดปูหญ้าตาทวดได้ไหมตาตาทวดยญ้ายทวดตายายพ่อ แม่ตพัวพิกษุเมียพิกษุกพิกษุกำเปสิมีเมียพราะเพราะเพราะไม่เพราะอันเอาเมียอะไรไปบวชเพราอันเพราะ เ, าะเามียไปบวชนี่ ลูกภิกษุหลานภิกษุเลนภิกษุนับจะไต่ขึ้นไปเลนหลานลูกภิกษุนับชั้นในมากอ่ะ ตาทวดยายทวดตายายพ่อแม่ตัวทีกสุดอันนี้ปูทวดย่าทวดตาทวดยายทว ด, ทว ด, ยยทวดพ่อแม่ทสุด น, นี่นับแต่ช่วเจ็ดคนนี่ข้างสะใภข้างสะใภ้และข้างเขยเวรหาขอว่าอะไรขอจิวรว่าอะไรฮะอย่าไรก็อย่อางน้บอเอก็งอเขาว่าอะไรเขาบอกพระว่าหน้าไเขาเพราะว่าหนาา้าได้ได้ เขาบอกป่าว่านนาเมื่อไ้อันพวกพูกนี้อันชุบนี้เขาบอป่ว่นานหนาอะไรที่บอกป่าวานหน้ า, าไ้อกเ็สายเอ<ะ>ดียะไรฮะชือสายเดียงอก่ว่านน้ า, าไูาวห น, น, น้าพกคอนาะไรตาวจหน้าวจพลปกครองหน้าอะไร ปูสวดน่สวดตาวด่วดคนมาปว่าหน joy, ้าากัไรพ่อแม่นปว่าหน้างากัไรพี่ชายนสาวเป็นไรชายนางสาวเป็ไรเขาบอกปว่าหน้าอะไเมี่ยเขาเป็นไรเขาบอกปว่าหน้าอะไลูกเขยเขาเป็เขาบอกว่าน้าอะานลูกไเขาเป็นไรเขาบอกว่าน้าไแต่ว่าลูกชาจะคล้องดแต่ว่าลูกสาวจะคล้องใดอันไหนลูกชายจะคล้องกันไร ล้านสาวจะคร้องกัได mm. ้เล mm. ี ique, mm ้ยนไส้จะคล้องกัได้เลียนสาวจะค้องก็นได้บ่ได้ทั้งไข้ทั้งทั้งเคยทั้าเคยหามเรื่อแต่เขาประวัติแล้วนะท่านทครับากทพรุงนี้ที่เรียนใส้จะน่ที่นี่ทังงมื่ว่าเอาเรื่เรียนของตพรนี้สื่อจรงความหมายแค่สิบสบ่บ่เพาะกรรมชิดนี่เราเฝ้าเลยท่านไปด จะหางพสมบูรณ์ไปไหพอเพอราะ เ, าล ว, เาลวลาเราบวชมาแล้วเงินสม่ำมันก็มันดูก็ขอขอนั่นหมายก่อนหน่ยขอมาขอหน้านหมายขอสำคัญกันไว้ถ้าห้าวบวชมาห้าวมาวางทอดให้ผู้ใดนี่มาวางทอดให้ผู้ใดวางทอดให้ผู้ใดเขาก็ไม่คิดอยู่ในเงิ น, นงพวกคนบอกว่าถึงเวลาเราบวชเข้าไปแล้วก็มาคิดเงินเดือนเขามันกำหมดเลย ก็ม็ดละก็มาิ้เ้เดี๋ยวท่าก็ต้องมัดเลยอันนั้นู้ถือเคงวันพูดถือเค่งต้องมัดพู้ถือบอกเคงก็ถือธรรมดาเอ่านี้ข้าก็รู้ดีว่าเงี้เดือนนี้จะใสยุคนี้แล้วก็ประมาว่าข้าเอาเอารักเป็นว่า่าติราชกรเนี่ยวันเถาะเจ้ามช็อปเนี่ยนเถอะเอาลักเป็นว่าญาราชกาเพาะเรื่อง เพราะเรียกเวเฮาก็่ได้ออกบวชจับอำเภอใเาเลยเพราะรัฐกระทรวงอนุญาต่ไม่เักดิอการัฐกรทรงอนุญาตเามบวชของแม่หมพ่เราไมิดเรง้ว่ารัฐอนุญาตเนี่ลากมานี่ยถือต่อ ก็ <eri> จ <laughs> ักผมเข้าใจว่าจยากจยากีไดอจากพอจัแม่ไปอยากทั้งพอทั้งแม่ถึงไปเจ็บคนต้มอยากทั้งพอทั้งแม่ลงมาเจ็บค้นก็นอนตใจก็นอนขก็ต้องบอกหน้ากต้องปิดนอนตีเป้าหมายอะไก็นี่นเก็ตหนึ่งสอสามสี่หาหกเก็นี่ยตัวพี่สูเป็นชีน่หกเก็นี่ก็นับมาฒา์เนี้กระไรนี่นับวัฒน์นี้หนึ่งสองสาม สี่หกเก็ดนี่นับทีนีขึ้นไปหนึ่งสอสามีนี่มัซีมันไผ่นีตัวไปสูจนี่เอาตัวพสูน์นี่เอาออกกัน่างนีนี่ตัวสูจนมีอของพสูจนี่ยว้อะไรเขปนกเขาอกว่าหน้าไหวเขาหน้ามีอมาบวชังเียเออขันมีอสราันคับของย้ำกับมาบอกคอยเนอหน้ว่าสั่เจะไปบวชแล้วอได้อะ นี่ฮะเนี่ยยาขอเขาเขาได้หมดแค่ไหนนั่นทำไมใช่ไหนันจะขอเขาได้กวแ่เพียงพระรุ่งฟองเท่านั้นพิสูมีจีวรอันชิบหายเสียขอผพ้่ได้วัมดเนี่เสียสองฝืนขอเพื่เดียวเสียสามผืนให้่ขอสองผืน เสียสองฝืนให้ขอพืนเดียวเสียพืนเดีย ว, อ ย, วอย่ากยินดีขอเลยกับภู้บไม่ญญาหาเพระตว่าวนลังหนาว่านเี่หายขอได้หมดเยกับาวงหมดขอได้เจ้าคัดเสียสาืน่ขอสองืนเขา้าาฝืนเนียามมา่ยไม่กลว่าผ่าในไก่สามฝืนแ น, น่ผ่าตังข้านึงผ่าตะบงหนึ่งผ่าจีู่วัวดหนึ่งได้ผ่าอายบ ร, ร้วารได้ยังไงน้่งสั่งว่าผ่าเบียยกับบ ร, ริวารได้ยัง่ย คาตะอวกับตะนว่าได้ต่ขอแกบอมันูดมันมยาบมันนารัา กระจาระบาดไงกระจาว่างยนึงลยว่าก็จักับผมมีอยากได้ผ่าดีๆมาตัดสมุงไีวอนเราตัดใจจึงโน้มความถวายมากใส่คนโตหรือยังจุดจุมั่นในไริงเราเอาไปซื้อผ่าไมมหรือผ่าอยงมาตัดทีวอนู่าเขาเนี้ยตาใครดีว่าซื้อขายแบบก็เลือ ขบวงหมปันะไรเีกะไมั้นัเห็เกียบดบอว่าันไรมันเห็ีปดว่ะทอบวงหม้ปันอย่าเดี๋ยวาบบงามล ถ้ามีใครๆนำเอาทรัพย์มาพร่ค่ากีวันเนี่ยถามพิสูจว่าใครเป็นวายาวิจกรของเธอถ้าพิสูจต้องการจีวันเขาเปแสงคนวัดหรืออวสกว่าคนนี้เป็นวายาวิจกรของพิสูจน์ตางหายถ้าเขาหมายวายาวิจกรนั้นแล้วสั่งพิสูจว่าถ้าต้องการกีวันให้เข้าไปหาวายาวิจกรพิสูจน์ทีเข้าไปหาเขาแล้วทวงว่าเราต้องการจีวันอย่างนี้สามข้างถ้าไม่ได้กีวันไปยืนแต่พอเขาเห็นในหกข้างถ้าไม่ได้เขือนไปทวงให้เกินสามข้างยืนเกินหกข้างจะมาตรงนี้สะเกี่ยวสถิถ้าไปทวงและยืนนรบกกําาหดดแล้้้ววว่ไเจีตอองใ ของเขาเอาของเขาไปเสียอันนี้ไม่สําเร็นตัเสียตัวนี้เขาเอาเรียกเอาของเขาขึ้นไปเสียเนี่ขอสิบนตัวตัีดูตัวตังตัวเกดูตัวตังเงินวิญยาณมันจะกําลังตัวเกดูตังก็เพิ่งจะดูตัวตังเงิน ถก็บธาตุขนาดที่ไม่ใช่ยามใช่ปรนาราสงให้ชรางหูทอจีวรเพื่อจะถวาแจกพิสุ์ถ้าพิสูท์กําหนดให้เขาทาให้ดีขึ้นด้วยจะให้รางวัลแจกเขาตองนี้สกวัญจีนิสุขอได้ต่อขนาดที่ไม่ใช่ยาไม่ใช่ปรนารเอามาสร้างหอเป็นจีวรตองนี้สกิัจีถ้าขนาดที่ไม่ใช่ยามใ่ปรนาราสั่งให้สร้างัหทจีวรเพื่อจะวเพื่อจะสวายแกพิสุทธ์ถ้าพิสูท์ก็กหนดให้เขาทาให้ดีขึ้นด้วยจะให้รางวัลแกเขาตรนนี้ส ถ้าขึ้นหาบที่มัใช้ยาไม่ใช่พลานามีหลายคนแต่เขาไม่ใช้ยะมาถ้าขึ้นหาบที่มันใช้ยาถ้าอถ้าขึ้นหาบที่มันใช้ยาไม่ใช่พลาแต่เขามีหลายคนเขาเขาว่าเขาจิตถวายจิตวัดเห่าฮั่นเขามีหลายคนเขาร่วมกันเขากาดกับอะไรล้วเขาจะเสอทําไร ถ้ากำรพ่อเขาได้เเีาบอกว่าให้เอานวนันเอให้เอานเนีเอราะว่พ่อเนี้ยเงียนเาปสวมขาซ่านี่มันพนดีก็อันเนียที่เขาก้าไอันนั้นันได้ว่าเป็นเนตเกี้อันนั้นคันไดอันคันไดอันตั้ก็เขาที่เข้าไปว่าพี่อย่างพ่อเขาได้เย็นเขามบอกว่าเขาซื้อเอาเนี้ยนั้นเอกเพราะว่าคันมันคันมันเป็นของดีกาที่เขากล้ไของแพงก็ที่เขากล้าไมันก็เป็นเน็ตี้นี่แหละทำตั้ก็ว่าอย่างเง วัดขผมนไม่่เวลากิจวตรนนีีส่เจ้าวเจ้ามีข่าไปซื้อผ้ามาเปบริารนี่จิบาทนี่จิบาทเขาเขาให้ผ้าไปซื้อเขาให้ผาซื้อเขาให้ผ้าซื้อซํำไหนแบบว่ามันก็ต้องอะไรยก็ไปเขาให้ผ้าไปซื้อซื่อ โดยเขาบอมอบอนุมัติแถว่าแพงมาในกัญชาหัวมันว่าจะเมันของดีว่าแต่มันก็เป็นอีกเรื่องนึ่งนี่ให้พาไปซื้อเชิญนี่ก็พาไปซื้อ บ, บ่มอบว่าขามันขามันเป็นของแพงเนี่ยสิว่าจะในห้อาก็สอนเขาอีกข้านง ถ้าห้ไปซื้อนีห่หาผ้าไปซ้ำไลยแต่วา่าตอนี้เขา็อ้อนเข้าอากีกหน่นหอยนะหายผ้าไปซ้ำไรให้ซื้อซ้ำเลยหานซื้อซ้ำไลยจะพร้อม่เกเจ็ดต่อหน้าซ้ำเลยอืมงานระบ้อคือเขาเห็นมาบวชเนี่ยนะ เอาซ้ำไรนยกองบวดนี่ยจะเอาผาเนี่ยอะไกองบวเขามาถามเขาเขาก็ตอบว่าเจ้าของตังไวยซ้าไรเจ้าของตังไวยาสิเอาผาเนี่ไรเาก็ถามตลอดเรื่งไปเองแล้วเจ้าของตังไว้่ซ้าไรใส่เอาผาชนิดไรชนิดกลางหรือชนิดดีที่สุดก็ดีหรือชนิดซ้ำไรก็ดีใครเจ้าของเอาตามแบบเจ้าของที่ตังไว้่เาวกันแล้วเขาก็มีไหลระบออ องีสมมติว so ่าเจ้าม้าบวชเป็นคนโตข้าเจ้าตื่อมาหรือว่าต้งการจับหนึ่งือบแกาเจ้าจะไปอไปน้ำร่งแบบนี้เกิดกีกกันเราเป็นางของสองเป็นองท่านสองสมมติขอแกขอแกแกสงตบจับนะท่านถาว่าสงเป็นผู้จัดหายบริขารนั่ง แทนเข้ามาหามาตั้งหาของเขาเขาหาหาตั้งหาเขาโดยพ่กเกี่ยวกับสงกันเขาเอาไปมันก็เป็นที่ต้องเขาเขาสะเปช่วงของเขาก็บ่าอะไรอีกแเขาไม่ยอมมอบให้สงมันก็เป็นของงานก็อีกคือการเข้าใจหรือเปล่ากันสงอันไดนสงจัดไทยเมื่เขาก็ขอซะกันนั่นเขาขออนุญาตให้แล้วมันงแต่เขาเขบ่เขาเขาบ่เขาเขบ่เป็นบาปเขาเขาบ่บ่ Aquí, side, ต, ต้องการครับยังขายอว่าผมอยู่ท้งันนะว่าจยากเอาไปในป่าเนาะแต่ว่าเป็นของสิ่งองครัวเขาทำสิ่งจัดจึงเอาไปป่าคนขอแะ้รมันมำบาปแล้วคำว่าขอเปนกับาปเลยผมผมขอองค์คูบ้านเนือที่เราเขาศิษย์พระครูศิษย์ที่คราศิษย์บอกองค์พระชาพนเมเกลเนี่ยผู้ใดพนเมเกีผู้เกลจะบวดหายมันมันปัหาหายเนี่พรอุปราชมันถึงจปนอุปราชเพะตอขอมสาวันเข้าใจบ่ ก็ไ่พูดอไรสิหวง้องอันนี้แต่ว่าหางมางมาเป็นคว่ำเพื่อคว่ำลับลอยนี่เฉยหัวหลับหัว เป็คุมเนาะเป็นคุ้มหวานก็คุมเนาะเกล้ยหานน้ำปูกอกมาบ้าห็นค <sho> ุ้มปูขอมาเพราะบ้าลำไน้ำปูกอกมาน้ำปูหวานเพราทไรจังหวัดองขันเหย้มันเงาหนอนพุ่นเยุ่ะพุ่มพุ่ม่พุ่มพุ่มพ่มพุ่มมมพุ่ม่ ขอนห้ับเทาเนี่ยขันเท่านางพชนะแล้วเทางนี้เอาายเอาสายไปทางนี้จะแต่แคบตั้งจะเสียสายขวงล้วเอามาดูเอามาดูแล้วคือนไป เว้บอกมาเลญาดอกบอกกองทุนจักดอกมันเชื่อเข้าไปยาคยาดอกสมมติเราของทุนจักดอกเนาะเราใจแล้วเนาะ่ต่อมากเลยยาดอกบนธรรมไ่ต่อมากเลยยาดอกบนธรรมอ๋อเป็นคนละก่อนในเรื่องปหายุทธาเพื่อจะมึงย네ังบริหารุ่นเข้าสุดใสถ้าลงไปข้าล่างล่างมาข้างน้าลางมาทีน่เห็นไห นั่นเป็นวัานไม่หรอยังเดือคือว่ายังเหมือกองบ่อยเลนี่เองขอนำกองไหลังถัดไปกไปนั่งร้านไปยืนนานขันกอกไปโดนมันผ่นเขาขีเมี้ยงนั่งข้ามมาบาดกระจายเลี้ยงสูงนมันก็เขาและละนั่นน้อยความบาดเล็กนั่ง บากจะเจรมือนไมเข้ารับการมาตัวบาปที่มาด้วยว่าก่อนิได้อารุม่เสียน้าเมตัวบาปต่าง่างก่อนอรุมือที้งื่อนเพาเป็นมือไม่ใช่หรอที่รางไว้ใหยังไงเป็นบากเหรเือนเพท่านถึงยบไปลองไปลาี่จัเ้โอ อางได้เยอะแล้วมั่นเอียงสิไปเขากันย้อนอันสงสัยแล้ว อ, อั น, อนที่ ก, ก า, สสยยากผ่สงสัยเง ก, กงับมกอกได้เดี๋ยวนี้สงสัยว่าขี้ฝุ่นที่ยืดใน ห, ห, หันจะเกาะเขาหอผ่สงสัยขี้ฝุ่นทีอยูดในหันเขาจะกอกเี้ยงยัง่ว่าเส้นบาทก่อนออกมีตัวตัวบาทตาุ่งจะครับอย เพราะย่านขีพุ่งย่านสีผงของเขาในบาทคำว่าสงสัยว่าขีพงเขาในบาทกับผู้ทงเทพแล้วเจ้าเอาโรคอากกับตงนับาทเมื่อว่างกับพื้นกับสัมันธ์่านเป็นบา้องนะพี่ค ร, รับเอาโรคนาดที่ยิ่งเข้ามาตีนว่าจผูกหอกชักก็เคยเห็นนะเคยเห็นท่างไอ น, นก็เคยร่วมกันเนี่ย เ, เพื่อว่าเ <c oughs> ่ราะหายบาดถือของแข็งข้ามาให้วางบาทในที่ประทุษร้าย ไ ม, ไม่บนลายบาตมีบนเตียมบนตางบ น, น, บนพืงบนโต๊ะห้า ม, ใมาให้แขวนไม้คว่ำบนพื้นของข็งมีบาตในมึงห้ามมผลักบานประตูอย อ, อ, อย่างเี้ยมงียองนี่ไหมคาบเอายังห้องอ่เพื่อยามันกระทบของแข็งี่คือเนเข้าใจอืมบอกบอืมพาบอาพอห้ไม่แ ม, ม, ม่ห้องแรกก็ไม่จะหันไปกระทบของแข็งลาไวา้วายเขาลบตอนนั้นาะเข้จตัวหัน เพราะในข้างพุทธกาลใช่บาดดินเป็นส่วนมากเลยเหตุฉะนั้นจึงมีการรักษาบาทอย่างกวดขันบาดดินเผานึงบาดเล็กที่ส่งเาขข้างพุทธกาลไม่จะบาดดินเท่าไรบาดเล็กเป็นของดีมีน้อยอว่ากันเลยในพระในบาดเนี่ยพระในบาทเล็บเป็นของดีมีน้อยจึงมีวิธีรักษาบาดอย่างกวดขันเช่นไหว้ค ว, ว่ำไห้แขวนบนพุ่นของแข็งนี่บาดในมือห้ามแมาักบานประตูบนคือบนในบนเตียงบนต่างบนโต๊ะบนพื้ง มันพึ่งอย่างเดีีบาดในมือห่งนมาซือย่ครับอืมกะาะยังครับีบาดในมือห้าไม่ฝักบานประตูมันมันห้ามัดตีเขื่อนมากเลมันแตกมันบุบนะเจ้าประกามารุดมือไลยของขอยุคใดนี่ออยุคู้ใดยีบาดในมือห้าไม่ฝักบานประตูของขอยู่ไดถ้าเปน้อบาดขึ้นหรื้อบาดขึ้นผู้ ผู้เก่ามันหลักเตยทาาหลังตีเข่าเนี่ยมันหลุดเพ้งแ่งลงบุกซ้ำเนี่ยโอ้ยอฟังไปบอกสัตกูฟังไม่พนหาไมไว้ค้อนบาดยกกวาวไปั่งว้ายดูนี่ยมค์ขันถุนเลยไปสังปส่งว้ยเอากรบื้องไรเนียเลยไปเห็นไปสัง่งกูไมา ก, กวดแล้วเมีนี่ได้ห้ามคอนบาดกูีะไเชียบเนียวยะเดยว่าไปกขด้อนบาดมันเตยท่าหลังตีนเนี่ รถแท็กเลยมันบุบแล้วนัเาตัาบล่นี่เขาผ่าซีนี่คือตัดมาจากตลาดที่ฐานต้องแบบนี้ตัดแบบจัดการก็ขี่ตีไปเรื่อยอย่างน้มันแงร้อน้งหมดตัดเดี๋ยเขมเหรอจี๊ดแบบจะออกปาายาเราขี่เป็ตานตยด่าต้องต้องตัดตัดอท้ ต, ต้องขานแดยข้อมือจะไปยิบออกโกโก้ยังไงเนี่ยฉีดออกยิบออกโกโก้ย่าไม่เป็นด well ุงง่ายอย่างไรไม่ใช่ตะเคียนโพดหนุ่มออกซูนั่นเนี่ยท่านิพยพนั่นถ้าว่าจะเอาเหตุกระครองเพรื่องเ่ยเพรื่องทำไม่เขายิบยุ้งหันยุงนีมาขาดอะไรนูันกัดถาว่าใช่งเาเหตกระคองไม่ให้ได้เป็นยุ้งหันยงนีอ่ไม่น้ วัดเกี่ยวไปเนออกนี้ัดารักมันขาดอยู้น่วัดไรตมมติเนบอกูแล้วเ er อาไปบวช่จุลนียต้องบ่ก็เพาบริวรวัรกล้วบกหงสสิบดบกหงสก็ต้องเรียนแหละธรรมราพสุยังไม่รู้สิ่งใดควจะรู้สิงนั้นควรแต่ e ําล้วเรยัท่านรู้จไร ปรวัตคือ่าบังโอจะไับเป็นอาทีอุกาสถึงขวดเนี่ยวดปลชิวอนเติขันว่เป็นขันเติมสบงว่าเติมขันสบงว่าก็เป็นความพิจารณอุกกาศอุกกาต้องขวดเนี่ยอันนี้ะคุบางบางจะคุณเพิ่มหายวดฝ่าสังขาริจีสังขารเจียังมาหันท่านในสองศัต ่นให้เอาผ่าัคาที่สันเดียวันบวดอ่ะค้าได้มาที่หลังจะ่อยให้เอาอ่ะมนจะ้นท่ามาเจนไให้เอาเอาผ่าทั้ค่าทั้งคาที่สองสันเดที่แรกบยัตผ่านัค่าที่สันเดียวยุ้ย่า่มันหนาเพิ่งเลยให้บรรยัตผ่านคาที่สองสันตอนธรรห้ในกายเส่สันเดียว่ กูได้ใส่สันเดียวเพชรแล้วสั่งผ่นบัวคันเพื่อนเห็นว่ามันหนาวอะไรแล้วต้องใส่ผ่านค่าสองสันมานี่กายเพื่อนใส่ใส่สันเดียวได้มาใส่สองสันไงผ่านค่าก็ผ่านกีวอนสันเดียวคันสันเดียวคันนำมาใส่สองสันผ่านกีวอนกดข้ามมณโฑใส่สองสันบัดผ่านฉาก ปกมหาเนีกายปฏิบัติกระชัยสองสันุ่มนจสร้างสองสันถ้าพระที่ว่าขั้นพาบางสกุลต้องการสบองสองสันกระช้ได้ข่มันตับมากตอบได้ต้องห้อยหารน่อยสั้นกรบอได้ว่าคมันขาดมาก ส้นผาเขาถวายขามือใส่ผาสบงสันเดียวจีวันสันเดียวสังฆาทิสองสั่นส้นผากระสินกันขึ้นันส้นผาวางสกุลต้องการใส่ชีสั้นก็ได้ส้นามบบาอันาอันสังขารผาจีวันกันขึกันมต้องการใส่สองสั่ก็ได้อ่าผาจีวันถาเป็นผาวางสกุลอันตาบมัน สีตาพาห้อยสั้นก็บ บ, บป๊ปยยอันตาอันปะอันชุ่นนั่นนี้ส่วนพามันพากระถิ่นทั้งหมดอาการกระถิ่นแล้วเจ้ามื่อนี่อาการกระถิ่นแล้วเหอารุ่ดมากเลยประเทศไฟไหม้แ่้หันประเทศไฟไหม่ขาดทองอลงมาคือไฟแต่มัน เย็ดเินหรือไปเห็ดใช้มันขาดทำไม่ทาไรอะชาวบ้นเย็ดเศษแวชิวมะอธิษฐานไม่ไว้ไหนหรืออธิษฐานวะนี่มังอัทรวาสกักลงกระชินั่งอัตร า, ม า, ร า, าเมัือเปล่ไรขาดกระินยเงี้ยจมูกขาดวะไรมูบวขาดห้องพักท้องบ้านอันนี้สงกระชินเนี่ต้องรักษาเอาห้องพั้งบน วดพุทธังารนสิไปขารวดโม่มองฉันว่าเอนฐานเป็นบริคัจโฉนท่านท่านอยกเป็นาลอาดค้ อ, คอที่เราะไร้แต่ว่าเออได้ย<ม>วากระนั่งอัต ร, ราไม่ตัดออกสนตัดออกคนนั้นซะกระ<ง>นั่งอัต ร, ราไม่บให้ว่าตัดออก ว่านี่บ้างอันตรายสังอาทิตย์ทำเห็นหดเป็นยังทข่งสอบการจะพาแต่พาบางพาสบงเถอมันเห็นแล้วง่าย่าสบงเพราะมันสามารถยิบแล้วง่ายเหมือนึงมือนึ่งสังขาดที่อ่ะว่าสินแล้วเมือนึงมึงของคอยเน่ยไงดีบริบรูรษทันเนี่ยสงก่ะทรองวันซีนที่ สะมีสมุนไพรขาดข้อข้อขาดแล้วข้ตัดข้อซึ่งในอธิขาดที่เดียร์อธิฐานลายบนเรือใส่ตอนเลยเป็นวัตคาข้อขาดเจ็บเป็นลายข้อัดอธิฐานลายบนเรือไทรทั้งหมดนั่นหมายถ้งว่าอธิษฐานเป็นวัตถิฐานโจรขาดขาดข้อข้อเจ็บเป็นไายขตั น, น่าจะอธิานใสากกล้องใาบอลด้วยกใส่ใไปเรื่อยผมไปตองนั้น อ, อ, อ, อธิษานโอ้อธิษฐานเนี่ยอธิอรรษฐานไม้อ ก, กาสก็สังค<ฮ>าในบางสกุลกับขาดสกุลด้วยกันอมสันงคาบังสกุลจำนวนมันขาดจะเป็นไดมันจะอธิษฐานบวกส่วนเป็นบางสกุลที่อธิษฐานเขาบอสอฮะเขาบอสเทีขันอัป่าวับงสกุลจะหางตาบได้ส่านได้ เอาว่สันก็บพเสียงการศาตร์แล้วนี่บางทีมันตวัวผาขาดตา้านะพวกเียงแต่ก็ต้องันันอัเจเรตอัเจเรตจวอ้ว า, นะวาปากองนี่ต้องดเยวเมาชใหม่ติดใหม่ผ่าที่เป็นอัลเเรตจวอัมากกว่ากว้างสี่นว ย, ยาวแปดนิ้วสี่ซื้อเป็นของส่วนตัวละ่ะ ข้าเก็บไปเกินชิฟวันเป็นนิสิตีที่ของส่วนตัวว่าสั่งเขายาซีนิวกว่างแปดนิวเอ้ยกว่างซีนิวเนาะแปดนิวเนก้วกว่างซีนิวข้ามานิวเนี่ย like ก็มาเนียวพุคดขาจะถือไว้เฉพาะของข้าวอันแล้วมาข้าวเนี่ยก็เฮ็ดข้าวข้าบพกไข่ไมกลับข้าวถือว่า คันมือได้ข้าพเจ้าสะเอาไปตักไปย่อมไปตักข้าพเจ้าจะสิรับอายุจะมือไปตักกันข้ามันหันแล้วนันข้าพเจ้ากะสีวิรับว่าฉันเทาตังไว้ังั้นเท่าผู้หลังค่อนขันผู้ พุทธสูตรกับกีวรแก่ภิกษสูรหรือสัมมานแล้วผู้รับยังมาในถอนนงห่มกีวรนั้นต้อง้าจะตีมันนี่เลยมันนี่ั่สุราปักที่หกพุทอสุกรไปกับกีวรแก่พุทธสรหรือสัมมารแล้วผูรับยังมาในถอนนงห่มกีวรนั้นต้องตายจะตีแล้วผู้ะคนคันผู้นั้นเขานี้ไปขับไับเขาผู้อื่นทับอีกสับ้านนอาสิใจ ที้ขับเรียวนี่ครับเรีอนไม่อืมอนหม่ฮันแล้วจัดอะ <ภา S 2> ไรอยู่เฮาถามลูกภูมิมหาฮันพาที่เฮ้าอาัานอธิษฐานเรีวมันว่ได้ใส่เกินชิบมื่เนี่วะจันมันถิบว่ามันสือ่เป็นนิสคี้บอนคนอ น, นอเลยจันก็ว่าเลยว่าจันเขาอธิษฐานก็อธิษฐานก็แปลว่าตังเอาไว้เีเงไว่าจันมา วสันกบศพก้อมันก็เป็ี่นมดไงวัดสันพระรารจิเบียสมัวัสันพระโลาวัดสันเนี่อ่ง่ายง่ายเลแ่าไม่เหตุฝนล็อกผู้มันเอาเรียผพาบริขารโจรกับบล็กันนี้เลยคนจะล็อกูมหาเอาเอาแบบน็อูแบบเอาแบบอกผูมันจะล้องผูเทศเอาแบบนี้พาออกจาพาน้ำเพลินไปขับเียง อาชีวาอาใหกันมาต้องมาวีกลับจะท้องท้องจของจะกอนจังถอนจักใส่ได้ยังมาพินทัและใส่รถนะครับพินทัวละใส่รถเขต้องอาชีวามบริคานโจรเข้าาบริคานโจรกข้มาควอมามันพืนน้อยๆมันพืนยายทบัตทบเรื่องสาีวโจรยังไรก่อนะหรือมันแปนว่าี่สิามาโจรเข้มาข้อมาใส่หนกไกใช่ไหมพื้นทอไ้กระยาหัละพื้ใส่ชัยจีวัน ไอเกินพระะคดกรีเ no. กินกว่านั้นกว่ดมมันก็ไมประมาณันเดีวนี่ะคอยู่ว่าพระตะคดยาวเขาคือพระตะคอดกว้างขืองคือบต้องตัดเน่ประมาณสค่ก่อนจะแสดงาวุาตกนี่คาโซนะวะวิรัติโยสุกตะวิรยาสิริยังชะวิรัติโยอิรังสุกตักสุกตะโรักประมาณนั้นละธนาพระโมนาโมลกับฝนมีกำหนดอะไรเด้วนี้ล่คถ้าอาน้าฝน จำมีคำนัดเลยว่ะน้ำผาตะบองเฮ้าเฮ็ดตามผาอาหนอฝนเนี่ยาตะบองเฮ้าข้าบควหน้าสองคือพระะคอกว้างคือครึ่งชายคือหนึ่งถ้าทำเห้นเกินกำนัดนี้ต้องไปยตีต้องไะไประมาณเทป่อนเชิงแระเงอาบตะกุกฤกษ์สู่ทำผ้าอาบหน้องฝนมึงทำอะไรประมาณประมาณระยะหกคือพะกดกว้างสองคือครึ่งคำว่าคืบในที่นี่หมายถึงคืบพะตะดถ้าทำเงินกินคำนดนี้ต้องไปยตีต้องไรประมาณเอนชิงกระเลีว่าอาบตะกุกก์สู่ทำผ้านองป็นฝีพึ่งทำให้ประมาณ ประมาณนั้นยาวสี่คือปจะคดกวสองคืบถ้าทำให้เกิดกาหนดนี้ต่อปบาลยตีต้องบาลให้นระเบิาลใช้หัวใชสอาบัตุนัตตะนาวศิษย์เก่าต้องการพวกศรต้องางมั่ค้บททางอือนกรัาพพวกไส้าหาดโอกเกนี่มั่งโอ้ยละพันธนั่งพวกไส้พาหาดโอ อิทิตน์ถ้ามีจะมวเศ้ามวห้องวัใส่มวห้องว้ใส่ละเดี๋ยวนี้ถาวบ้านก็วัดใสส้มละมื่ อ, อุอน่นมาใส่แต่สมวนอื่นพระเจ้าฮัตต์ตัวนี้แหะ้าวับ้านนี้ละะสั้นเมื่อเขาไปได้วัดใส่ได้ฝาออกก็ได้ใส่แต่อัน้มบนวดเนี่ยมันถีมันีเฮยาใบได้เขาวดไว้มันถีเฮียบวดออกแล้ววไดใส่ก็อันท้อเมลกาบเราวา เพิ่มเติมเฮียของฝากมั้ยท่าวีกับนี่ยทำมาทำมาสองกสองหมดมแต่สองสองจากสองใช่ทำมาติั้งแต่คนเดียวไม่ติดหมดเลยหมแล้วห้องประท้อนด้วยีมังมีวาังท่านตะกางปริคุณชะทวารเวสเชทวารเวสยาธาปจยังวาคาโรทะตะโรนิตะโลทะโอกาสในกานใช้ไอซ่ามันพูดเองจะมีกับและเป็นถอนก่อนหมดอืมเป็นถอนก่อนวิกับกับพันถอนกับหัน หลวงปูม ah <becue> ันว <ladı. S 1> ่าเนี่ยชีวับกินสมบัตที่ยังของสียใส่อยู่เรื่อยเนี่ยสัตวาชีวีกับก็มาขั้ว่าติเก็บไว้สันว่าไปสเนี่ยหลวงมันกากมเป็นบริการชนงินก็คบริารเกการาอนเอามาถเอามาก็เป็นบริการโจรพลวามันผ่าซุปนี่มันม้มีซื้อมันไงสัว์ถ้าบริขารโจรมันก็ต้องเพียงผ่าเส้นหนาหันพลวาชส่เพียผ่าเส้นหนาเพียงงามหันม้นสัต มันยัที่หลังนี่มันแที่หลังก็เป็นา่มันยัดแม่่ามันยัดที่หลังเลยมันยัดเะยนี่แหละอาพิสมัยการนี่สสมัายมรม า, ม า, รารนี่ไลมกเร็สองาพิสมยารนี่มกเร็สองวกนี้นา่าจะแลมว่า ที่แหลกป็นของนา่งพิซซนีพ่พิซนี่มันรักษานมมันแนื้อโยม้าเพิ่นเห็นมันเรียบร้อยแ้แ่เลยพระเข้าก็เลยเอาใส่จะมันจะข้างพุทธการเลยนะโอ้ดีใส่มาหน้าพินซูนี่ก็ดีว่าใส่หนาพิซูนีน่เขารักษานมอเขานี่เขาใส่สารสาแล้วพระเข้าตะกี้บ่นี้ถ้าเข้านุงผัดสะบองแลว้วก็โตนโดเ <c oughs> <c oughs> ออภายังบ่หี้เนาะมาเห็นน้าของหน้านิซซูนี่ล้วเพิ่นเยใส่น้ำหนักพิสซนี้อันนี่ เป็นราดีมือนกันมาถึงโอ้เจ้าว่ากัานสน่วนสตารดีมมาบ้างไหมไม่ไม่เลยบ้านได้คำดการสาบายไม่ลยได้คำ พ, พูดการปาตาทารโกของห่องบวาดมื่อกี้บ้านได้คำพูดการเชิญหาดมาน้องบ่กของใจแคบสวัสดีว่า่าดเย็ดเต็ม้วได้เมื่ากี้บ่อพ่อพ่อได้เมื่อกี้กออาภิฐานมาไม่เป็นไอืมอภิฐาน้า มามนีบามุ่นวานมปะแล้ว่านะกปะกับปะพวมักชุ่นกับสุ่นว่นะมะกวางารกัไปุ่่นมาไวแล้วกระปาะเอาไปใส่ที่บ้านิธาน่านท่นสูแรงพดีใชหอพิานไม่นก็ต้อง้อยดีดตับไรอดเขาบอกไปท้งเลห้าปาสงเคร เาาดกองในทีมครับเรื่อมขาดเราเรื่องไปมาทุ่นเราเรื่อง่ายไรพวกนี้กองทัพเรือแฐฐนนต่ทหารไต่ตอไมได้ดนนเป็นอาวัตรใหเวันนี้ตั้งหอแล้ว น, นี้สงมา ก, กอธิษฐานเลยมากอธิษฐานกับแสดงอาัตรเนี่ยเบอร์มาเลยเสื่จับป็นนิาาสนต้ขี้อะไรต้องกร า, ารักษาอยนนู่ีน กัดเขาได้เยอะรับบาไหมเพ่าเพิ่าเพิ่งกบใครใส่ได้เหรอเพิ่งบอกใค้ใส่เขาลุกหมันมาใส่เสยเพะว่ามันอาหารมันซึมเข้าในหันเนะทพนกงานร้านมาสอบใส่ตุ่มะขามเลพ่อขงเขาลูกหมันมาใส่ก็เือยตูมะขาตมะขามไควดออกตุ่มไม้มะานี่อืมม่อกเพ พรอาหารมันเพิ่มไหนอ่ะบาทเหล็กบาทดินเผาบาททองแดงทองเหลืองบาทพลิกบาททองแดงทองเหลืองแก้วพลิกแก้วหูบาทแก้วบาททองแดงทองเหลืองดีหูบาทหลังกระสีบาทไม่ทรงอนุญาตบาทสองอย่างบาทเหล็กหนึ่งบาทดินเผาบารที่ราไม่ได้ทรงอนุญาตและไม่ได้ห้ามแต่เพราะว่าไม่ควรบาทเงินบาทแก้วพลิกบาทแก้วหูเลียกยังว่หายไปอ่ะบาทเงิน เขาจะปตีวแตกกันขออภัยอาจารน์เขาจะปตีเขาจไปปนกันผม้คนกับค น, นไทยเยอะเลยล่ะฟ้าอนะะไรนะผู้นกับไทยพระอาจารย์สมพรท่าพระท่านํารักนาเกี่ยงนารักดีคนไทยเยอะเลยเอันถงแน้ล่ ะ, ม, ละมันบดสิ่ ป เ, เป็นดาวัดทกกดเออคำนั้นเปลี่ยนคำนันจำเป็นต้องเปลี่นนี่อันใส้ด้๋ยวเขามางา่ายความี่ขดัด <c oughs> มันก็เปลี่นเป็นดาวัดทกกฎข้อหน้าไปข้อหน้าไปงหดาลงลงไง ไลงะไรอไปจะตอไหน่อยไนรถ้ป้องไปยังไม่เจอฮะแต่ว่าหลมนไวุ้มดีอสาใช้ใ้ดีกว่าหวยเนี่ยเอาปลาใช้แบบนี้ทวารไหมเอาปลลงกบสดกัจะชอมากขาป้องขายป้องเลยคุณจะเอาขาไปแบบนี้หวยเพไร เอาไปอาซายมาห่มซ้ำยังหันได้อยู่คืแพรงว่าหงังปีละผืนก็ได้อยู่ไปยุไซก็ได้แพร่งเหงังไม่เอาไปหยอกไปงอแงเลยมาดีมาดีเนี่ยขวานเอหัวที่หอกมันจะควบยัำไหนสั่นขางหัวนี่ก็เหี้ ขอเงินไว้ดพอพูดขาน้าฝนขาดกิดเวสเ็นได้ก็ปั๊บระบบอย่างนี้นม่าจะขาดจากปะใไหมตองปางหรอครับอืมตอกฟ้าตองทุ่นฟ้าอธิษฐานไหมอธิษฐานไหมอืมวัชิกะวัชิกะออชาติกะนั่นหรอวัชิกะนั่นก็ ชาติกังวัตถิกังชาติกลังอินานี่ตังทำบริการโจรขลัดบริ้องบ ร, งรงิกองค์อะไรได้ยุ๊ยบริการโจรัดบริการโจรันมันขาดบฟ้ากัอะไร อ, อ ง, รงเป้อนซ่มันเพื่พื่อสวนเพื่นตาคล้อ ง, องส่นยุ๊ันส่วนยุ๊ยพนมัน่นท่าในส่นี่เทยรนเงมันกับพ่อไทยของเพื่นกผู้อื่นในส่วนพันในส่วนแนวอื่นเนี่น ส, ส, ส, ส, ส, ส, ส, ส่วนผ่าอันมันไส่วนนิ้วส่วนผ่านุ่งเนี่ยพ่อปนัดปนึงี้ทิ้มไดผ่าอะไรวันนีิ้มสงสุนนิ้วอันส่วนผ่ากระไรไบกพ่อสีไรส่วนเนือแช่แล้วทายเพ่นเดียอยูนพูมหาเป็นผู้เป็นเป็นผู้ทายลักพูมหาเป็นผู้อเียนมาทายมุแท่ตัวกอผู้ยองแกนมีอืมเพราะมันได้เนก็มีตั้งกับกงก็มี การทั้งหมดเรื่องสุนทานสนทานหลังิจาตรพัฒนาเปนหังิจิตรเพื่อกองเป็นเยอะเป็นเยอะเื่อคอาก็ขาดแลกายที่เทาสุนนเท่าหลังพิจิตรเพื่อเอาดำเป็นได้ใช่ครอบกายที่เทาสุนทานเป็นได้หลังพิจิตรเพื่อได้ได้อะนั่นก็ได้โยเพราะพื้นเดิมมันไม่มันดึงพื้นเดิมโยพื้นเดิมมันมีเยดี๋ยวนไปหมดทั้งาหของคือ นันว่ั่นไม่ซีเป็นเนี่ยเอือหน่อยว่า่เพื่อนเดวไม่เยบางับผมไปเี่ยวบางำนป็นสาอง่เวลาเาแสดงมอือ้อธิฐานขั้นบทบาง่าหลักบพัดข้ามันกับัเดียบันน้มั่ง่ายปดัีนนี้นมั่นม่ง่ายด คนอนเป็นลูกของบัสดผ่ อ, อาาทั้ผ่อนอาภาอาศัยไปจับแพ่ไมา ก, กินจะแตกอย่างคือว่าถืกแล้อกับหลวงปู่มหามักข้อนิสัู้ครบบาอาจารย์มันว่าให้นุ่ผ้าอาหน้าเอาหมเอาผ้าจีวรผ้าจีวนคองนุ่ผาน้า น, านุน่งก็พแจ็บัวไม่คันบัถือกบ่เจริญปัญญนอ่างมักขอนไสัยครูบาอาจารย์ โอกาสเวลาผู้ประลกผู้ได้ใช้ทางผ้ประโลกขึ้นได้ด้ยข้ได้ผู้ปรลกขึ้นได้ผู้ประหลกมันเป็นนประลกขับประหลกขับคันโลกวัตทันไม่หมประลกขแปลว่าผาดเียแสงโอกาสกานูะบ ภาีว่าล้มปูหมันทนให้หลาแบบยเพดมทั้งดมทั้งตทั้งท้องดมขกอเฮ็ดสองา้อเฮ็ดสงางมือนึงเปลี่ยนทังเมือนึงเปลี่ยนทั้งอนึงขืนมือนึงเปลี่ยนท้งรมื่อนึงยน้งขืนมือนึงเปนทงรงคงในส่วนเป็นูนอยูออก ปิหวัดออกปิณวัดข่าทศปฏิวัติพระรังกาปิณวัดทามาทางไ น, นพระรังกาพงเพื่อว่ามันหักแทงมันขาดได้วรมันจักเแล้วถามไม่ก็ไ่ได้พิสตันชอนจะโฮมเนี่ป้นทั้งทั้งบน ท, งทั้งลมทั้งลาขึ้นได้เพะว่าเพ่เปลี่ยนก่นแจสมือนี้หลวงพ่อมหาเพระมะเห็ดดงข้อข้อก็ เ, กเล็บมเห็ดเดียวนี่ดงข้อข้ก็ เ, กเล็บใส่ตรง เข้ามาหลุมข้อเนี่ยไม้ข้อมาหอมข้าบ้านปิดหลุมคอเมื่อเปิดหลุมคอโดยวิธีไหนแล้วครับเป็นการเรียวไปหลุงปู่มหาี่ออกาันนี่ไม้ข้อมากราใหาปิดหลุมข้อไม้ค้อมาพระไม่มันจะเปิดนี่มันจะเปิดหลุมข้อขาวหวานนะคับเว่าหอมข้าบ้านให้ปิดหลุมคอถ้าปิดหลุมคอโดยวิธีไหนก็ไม่ต้องใส่ก็ได้หลุมคอชวนลุกอัลทวนอันหลุมใจเพราะใส่อะไรมันเวิร์กมันเวิร์ดผ่าหลุมใตไม่ใส่อะไร ส่วนดลุมข้อนี่แม่นว่ตไซกับวัตแยงขันว่าสมารถันสมาดให้มันปิดตุงข้อไรกเลย